เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องถอนฟันซี่เดียวเท่านั้นคนไข้รายหนึ่งฟันผุและปวดฟันมาหลายเพลาแล้ว ก็ไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งเพื่อถอนฟันซึ่งหมอใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นฟันซี่นั้นก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายความเจ็บปวดหายไปราวปลิดทิ้งหมอพูดว่าผมคิดว่าค่ารักษาการถอนฟันซี่นี้ร้อยบาทครับคนไข้พูดว่าแมอะไรกันคุณหมอ ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นคิดนาทีละหนึ่งร้อยบาทไม่แพงไปหร่อคุณหมอเลยพูดว่าแม้ถ้าผมรู้อย่างนี้ว่าคุณอยากให้ผมถอน น, น, นานๆก็ได้ผมจะได้ค่อยๆโยกไปโยกมาสักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยดึงออกมาไว้คราวหลังก็แล้วกันคนไข้เลยพูดว่า เอาละผมให้ร้อยบาททำเร็วๆดีแล้วครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายในบางเรื่องอยาขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องนะคะ